ว่าบ้างบประมาณนึงแล้วอะไรวะเดี๋ยวผมมาถงลอยเอ็ดด้วยลอยเอ็ดจังวัมาลยเอ็บ้าง ทักทายไม่หวัดไม่ไหวแล้วมองดูหน้ากันแล้วก็พอแลนะ้ว่ทักทายอย่ทักทายไม่หวัดไม่ไห ว, ไ ม, หวมองดูหน้ากันก็พอแล้วคนมันว่ากัว่าทักทครก็ใคร เรว่อันกันบ่ายสอ0โใช่ไหตัว้กันบ่ายสองโมงมีอกว่าก็บีว่ด ท like <Wait interpret Key board> ี่พ่อกับแม่สร้างศาลาไว้ว่าจะสร้างหลังเท่ากําปั้นหรือว <nai> yeah, so ่าแล้วจะไปสร้างชีโน่หว่ามาอย่างเสียงเรามาสร้างอะไรชีโน่ดอว่ามีสั่งไม้มาได้สองปีแล้วไม่ก็จะเน่าเฟะแล้วยังไงก็ยอมทนจ่ะจะดูจะดาแล้วก็ทนว่ามัน พยายามจะ ส, สาาร้างศาลาแต่ตนี้กําลังช่วย ส, สาาร้างบ้านเมืองประชาชนพนเมืองมาใครมาก็เปียกอนเผียกฝนหาที่พักไม่ได้ที่หลบฟ้าหลบฝนไม่มีอยากจะมา ส, ามสาาร้างศ า, า, า, าลาสักหลังนึ่งว่าจะสร้างทีน่นู่นากจังหวัดของแต่นนี่เป็นอยากเสียงพูดก็เถียงแล้วฝนเร้าแล้วก็ฟ้า ความจำเป็นมากว่ะแล้วใครบาก็เจอคนมาช่วยชาบบ้านเมืองว่ะหาที่จะพักจะหลบพ้าหลบฝนก็ไม่มีไปตกลงก็จัดสินงใจือสั่งไม้มาจากเรียงใจได้สองปีนเน่ไม้ก็จะเน่าคนก็จะตายเออถ้าฟังขักสองคือไม้ก็จะเน่าคนก็จะตายเนี่ย ก็อยากจะสร้างสราไว้ส ja. ักหลังเพื่อประชาชนได้มาและอาศัยร่มฟ้าร่มฝนมาในเวลาพิเศษอย่างนี้ตั้งเหตุตั้งฝนเข้าซีทุกอย่างเออก็เป็นไม่ยอมยับกันแค่ว่าว่าอย่าไับกันเขาสร้างไม่สร้างที่นี่ตั้งหน้าออกสนามไปอยู่ได้อยู่ในภูในเขาไงเนี่ยว่าก็จะมีเอาลองเอาลองไหที่ว่า กะว่าสร้างสระนี้จะเอากว้างขนาดไหนยาวขนาดไหนถามเจ้าสัทยาที่มีเพศษลงไปแล้วสมควรที่จะสร้างได้แล้วแหละป่ะกะว่าความกว้างสิบหเมตรความยาวห้าสบห้าเมตรว่ะเดี๋ยวเรากะดูเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะเพราะว่ากันนะ เอาเอาความกว้างรู้จะเหมาะสมกับกําลังช่วยชร้าเวลานี้ซึ่งคนกําลังมามากมความยาวนี้น่าจะไม่พอแต่วเราก็บอกว่าเอาความกว้างสักสาสิบเมตรความยาวสักหกสิบเมตรอะไรเพราะว่าจบรงเอานี้เป็นไงถห็เห็นดีด้วยไหมว่าสาธุเลยก็ได่ตอบว่าเห็นดีเห็นดสาธุเลย ในตกลงสระเห่านี้เป็น15เมตรเป็น30เมตรความยาวจะเป็น60เมตรอ่าเงี้ยดังนั้ก็กะวา15เมตรกว้างความยาว50เมตรจพิจารณาอากอนะขยายออก อ, อยู่ให้พอดีเลว่าคนามากนี่ก็ดีดูที่จเห็นไหมละ่ะสราความยาว60เมตรกว้าง30เมตรดูแน่นมด ที่เจ้าของตะาพูดพูดถ่อมถ่อมมาไว้เฉยหนานั่นไม่ใช่ว่าตั้งใจจะสร้างอะไรถ่มถอมาไว้พอเราแย็บปะปายแต่รับปปุ๊บสาทุกชาก็อยากสร้างขาสร้อยู่แล้วหรือใหญ่กว่าได้ละกันจะคอยฟ้าเสียวเราเพราะว่าส้าทุกชาก็อยกสร้างก็สา้างก็บริสัทก์ก็ทิ้งยังเรา เนีบริษัทก็จึงแดงแล้วนะสร้างไว้นี่นะไม่ที่เจ้าทรายส์ว่จังทิศจังแดงได้มาสายที่จังหวัดที่มาเนี่ยมาสรางใหญ่อย่างนี้ความกว้างสามสบเมตรความยาวหกสิบเมตรเนี่ยจึบริษัทก็จึงแดงสร้างนี่สร้างอย่างเีมงเนี่ท่านคนนี้ทำอะไรไม่ไม่ได้ออกหน้าออกตานะ ท่านอย่างเงี้ยงีอย่างนักแปดท่านั้นเลยะไม่ออกพระตกต่างๆไม่ออกเียเงี้ยบริเวณวัดทั้งหมดเนี่ยเี้ยตงจะฝ้ากำแพงมานี้ถึงกำแพงโน้นด้านนน้นสุดด้านนี้สุดเป็นทั้งสองท่านเียเป็นศรัทธาทั้งนั้นนะซือที่ที่นี่ก็ เราบอกว่าชื้อขีเขาสร้างวัดเราก็ให้เหตุผลว่าการซื้อขีนี่ไม่ไม่ต้องยกกระตือนกับเจ้าของขีเขาเลยนะเราเจ้าหาเรามีเงินเรามีอำ น, นาจมากจะไปซื้อเขาด้วยความมีเงินมากก็เป็นการกระทุกระเทือนน้ําใจเขาอย่างหนึ่งเขาจะพอใจหรือไม่พอใจู้แล้วคูดเรื่ความเป็นธรรมให้พอใจกันสองสฝ่ายหนึงจะเป็นธรรมหรือว่าเราจะไปสกปรกกับเจ้าขอ ง, ของเขาแล้วว่า เนี่ยเจ้าของสัตยาใหญ่ก็ดินแดงเราพูดจะจกลงกับเจ้าของเขาเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะมาการเงินให้นร้งให้สรางจกลงว่ายังไงเขาพอใจคือเขาอยากจะขายที่แล้วให้เราซื้อชื่อใหม่ให้ให้ทางบริษัทก็จินแดงนี่ไปซื้อที่ใหม่ให้ที่เขาชอบใจตรงไหนให้ไปซื้อที่นั่นให้เขาจนราคาถูกแพงต่างนี่มาไว้บทเรียบร้อยแล้วอ เขาพอใจอย่างนั้นทางนี้ก็รับไปแล้วว่าพอใจที่จะไปซื้อที่ใหม่ให้เราจะเอาที่ขนาดกว้างแคบขนาดไหนแล้วราคาเท่าไรทางนี้รับหมดเรียบร้อยแล้วเป็นว่าตกลงกันเรื่องความพอใจทั้งสฝ่ายแล้วแล้วทุกทุกแปลเขามีความเห็นอย่างนี้ด้วยกันหมดเลยว่าอย่างนี้ด้วยกันหมดเขาไม่เขาไปคัดเลือกต้องการซื้อที่ไหนอยู่ไหน น้ำราคาเท่าไหรก็ให้สั่งนี้ไปจ่ายเงินเอาทั้งข้าวข้าวกันทั้งสองอย่างพอใจกันสองอย่างกันรับเพราะฉะนั้นนาแปลงไหนเพราะจริงไม่มีราคาว่าเท่าไหรบริษัทก็จึงเดีเราซื้อบดเลยเข้าใจไหมมีจแีแบมนาราคาเท่าไหรเขาเห็นข้าจะได้เขาต้องตักตัวเกษตรที่ทางนี้ไม่ต่อสักกตาหนึง่ง เพราะว่าเทไรให้เลยให้เลยให้เล ย, ห, เล ย, ห, เลยหมดทุกแปลงนะ้ายกออกจากนี้ออกไปนี้ใจเงินเขาหมดทุกแปลงไม่ต่อแล้วทำราคาเลยทํำด้วยความพอใจรังสร้างบุญกุศลผลยิ่งใจ่จริงๆนะทางเราก็รับกนนรารเรียบร้อยพอใจกันทั้งสองฝ่ายทางนี้พอใจอยู่แล้วซึ่จะจ่ายไม่ต่อไม่ลองเพราะนั้นว่าเจะให้เท่าไ น, นเลย เขาก็ตกลงราคากันตามความพอดีพองามของประเพทใโลกแล้วก็ซ่ายกันไม่แพงเกินไปว่าเห็นโอกาสาัจะตักลงจะเปทำเหมือนก็ไม่เป็นธรรมให้พอเออาะพอดชั้นลูกก็เอาลับกันด้วยความพอยู่แต่รับกันเลยเพราะฉะนั้นนเหล่ า, านี้จึออกไปอยู่ข้างนอกหมดแล้วเงินทางนี้กับโปรใสมดเลยไม่รับไม่ต่อสักรครั้งราคารา ค, ราคาสักบาทเดียวเลยนั่นเห็นไหมละ เสจีช่าเสถีเงินก็อยู่บริษัทนี้เสถีเงินก็คือบริษัทกระจิงแดงเราเงียบเงียบมีเงินเป็นมหาเศรษฐีในกรุงสยามเราคือกระจิงแดงของเรามีอย่างเงียบเงียบแล้วเษจีช่างก็คือกระจิงแดงเราแล้วเปิดจะบ้างก็ ร, รู้ทุกเนี่ยทุกมุมยังไม่ถึงโอกาสที่จะพูดก็ไม่พูดภาพพูดไปหาอะไร นีม่มันมีโอกาสเป็นโอกาสที่หัวจะพูดก็เปิดกันบ้างที่สร้างความดีมาแทบเป็นแทบตายพูดกันจะนี่ไม่ได้แล้วเขาสรางความเช่ ว, ขวเขาออเทำไมเขาพูดกันได้เกลืออยู่ไดเดือนจําแล้วทําไมก็พูดกันได้ว่าคนนี้เป็นนักโทวคนนั่นเป็นนักโใช่ไหมเขายังพูดกันได้ว่านี่เราสร้างความดีแทบเป็นแทบตายเงินเป็นของหน้าหรือหามากว่าจะได้มาสร้างความดีความงานทั้งหลายมีจํานวนเท่าไหร่แล้วทุ่มเลยนะทำมาทุ่มเลยคือสร้างซื้อที่มีทั้งหมดแล้ว แล้ที่อย่านี่สูงต่ําขนาดไหนก็ทิ้งแรงทมหมดเลยฟังที่น่าว่าขยะดไหนถ้ารู้ถึงสื่ก็จริงแรงเราทมหมดเลยนอกจากนั้นควรจะใส่หินแอะไรนี้ก็ใส่เรียบร้วยบอกว่าให้ทางนี้ต้องการเรอะไรทางบ้านเมืองคือทางใครว่าเขาก็จะมาดูด้วยทางวัดก็ให้ให้พระดูสมควรก็อย่างนี้ก็ลงสองใบว่าควรก็อย่างนี้ สูงขนาดนี้หรลงกันต้องสองสายอาพอกันแล้วยังได้ลงถิน่ขนาดนี้สูงขนาดนี้จะไปทำหนี้ใครไม่ได้เพราะทําว่าจะเป็นกรรมการดูแลทางนนค์ข้อมยิ่งจะให้อยู่แล้วเจ้าสูงขนาดไหนจะให้ตามนั้นตามนั้นทางว้าที่ก็เอาขนาดนี้พอที่จาก็ บ, บ้างนั่นคือเราเป็นคนสั่งไม่ให้สูงขนนี้ภาพนี้ให้สู ง, ชงแช่หกสิบเซน เรียที่ภา ก, กันนกันอยระงั้มันจึงจำ อ, อยู่บ้างเราจำเองทางนี้ให้เสมอกันหมดทางภาคที่ให้ต่ํากันของการเอาเพียงหกสิบสเจ็ดเพราะฉะนั้นทํางภากันโอนน่จึงมีจำบ้าก็จากคําสั่งของเราทางนี้เสมอกันหมดเลยนี่คือใครเป็นคนสร้างดินมาเหลยเนี่ยมาถมเนี่ยท้ททองนาเขาเราของเขาต่จำขนาไหนโฉมให้เรียบหมดเลย ดินมาจากที่ไหนมาที่หมดลงนี้จากนั้นก็กำแพงเห็นไหมรอบหมดกำแพงก็กระสีแดงทางนั้นซื้อที่ก็กรสีแดงโถมที่ทั้งหมดก็กระสีแดงอย่างเงียบเงียบนะคนอย่อื่นเขาไม่ทราบชาวไรประกาศตรงนี้จะไม่ทราบนะเพราะท่านเหล่านี้เป็นจอมปราศสมัยปัจจุบันสงบเงียบเงียบรักษาอารมณ์ความสวยงามไว้ละเอีมากทีเดียว นี่ก็สร้างให้หมดเลยเยด็กศิษย์ดูดิเนี่ยตั้งแต่สุดวัดรู้ถึงเขตว้านนี้เป็นเนื้อที่ของกตีแดงซื้อให้ทั้งหมดแล้วถมให้ทั้งหมดเลยแล้วกำแพงร้อก็าไทยทั้งหมดสลาใหญ่สร้างให้อีกหาที่ไหนในเมืองไทยเราพูดโกงพูดแบบธรรมะไปแล้วไปหาที่เรายังไม่เจอก็มาเจอที่วัดป่าบรรจารเนี่ยแห่งเดียวเี่ยที่กตีแรงสร้างให้เราไม่้ปวดทัดเหล่าเราไม่รู้ปวดท่าอยากสร้างซะเองค ก็เลยว่าพูดถือเป็นอะไรก็อ ย, ยอมรับละข้าวนี้มชื่อว่า่าก็เป็นสองปีแล้วว่าก็จะเด้าคนก็จะตา ย, าย่าแล้วไ้ผิดถูกชั่วดีก็จะยอมรับก้าวนี่แหละอยากจะสร้างสัลลากา ร, ร <c oughs> มาเล่าเราฟังมีเหตุมีผลฟังทุกอย่างยอมรับการว่เหตุผลแล้วนสัลาจะขึ้นเรื่องเล่าเป็นอย่างนั้นไม่จะมาบุกนะไม่บุกแต่ชื่อที่ให้เขากำเวนกันไม่ถือว่ามีเงินมีทรให้ให้พอดีพอรามแล้วกันทั้งสองฝ่ายทั้งเจ้าทรัพย์เจ้า ถ้าผู้ที่จะซื้อเรียบร้อยจากกันทาราแล้นี่แหละที่เราได้เห็นทั้งหลายท่านทั้งหลายก็ได้เห็นเห็นซะบ้างนะผู้สร้างความดีสร้างแท่เป็นแทบตายเงินนีสักกี่ล้านล้านดีมากงารงอยู่ในวัดปาวัชการแล้วนี่เงินสักกี่ล้านล้านสักกี่กี่พันล้านอยเงี้ยเรียร้อยล้านเรามาอยากจะพูดแล้วว่าถ้าว่า ท่านร่างขึ้นไปเราจะพูดเพราะหมดเลยแถวนี้ไม่อัดไม่อัน้เนเงินจํานวนเท่าไรทุ่มเลยทุ่มเลยไม่มีคําว่าต่อรองแม่บ้านเดียวไม่มีเขาต้องการเท่าไรให้ตามนั้นตามนั้นเลยด้วยศัท์้าเจ้าของเองเป็นที่พอใจทั้งสองฝ่ายเราเป็นเป็ น, เ, ปนเจ้าของวัดเป็นผู้มีอำนาจปกครองดูความเป็นธรรมไม่เป็นธรรมอเรียกว่าเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายหาที่ตองติไม่ได้เราก็โนมโมน้าด้วยคราวนี้ก็พอใจจะให้ตามนั้น ทางโ้นเขาต้องการอย่างนั้นให้อย่างนั้นอย่างนั้นเลยเรียบร้อยทั้งสองฝ่ายเยอะพอใจไปทั้งสองฝ่ายเลยนะเนี่ยจึงได้ปรากฏเป็นวัดขึ้นมาเนี่ยท่านหลายาทราบเสียว่าวัดนี้มันเป็นมาอย่างไรแต่ ก, ก่อนมันเป็นไรเป็นนาขี่แปรงไปถึงโน้นเลยแล้วถมบทหน้ามันต่าขนาดไหนแล้วถมจนให้พอดีมันจัขขกเสกตขี่ขี่ด้านบานละนั่นอิโติ นี่จริงว่าเศรษฐีทำเศรษฐีเงินเศรษฐีเงินก็เบริษัทนี้เอาใครมาแข่งที่ว่าบริษัทกระทิงแดงมีเงินอย่างเงีย้ยเป็นเศรษฐีอยู่ใต้ดินเข้าใจไหมถ้ามาเป็นเศรษฐีทำก็อยู่ใต้ดินอีกเหมือนกันอยู่เงียบเงียบอย่างเนีย้ยไม่ได้โตกก๊กระตากอะไรเลยนะทำอย่างเงียบเงียบจริงๆนันทสวายเงินมาสร้างบ้านนี้ไม่ทราบว่ากี่พันล้านเลยบอกพันล้านไปเลย พรามันมากต่อมากเนี่ยขนาดไหนถมหมดกว่งกวงเสียงก่วงขนาดนี้ซื้อหมดที่ดินราคาเท่าไรซื้อให้หมดแล้วถมเรียบร้อยให้พอกับความจองการของวัดนั่นพืก็ทำะอะไรกแพงวัดไทยเรียบร้อยหมดเลยเงินหาที่ไหนล่ะแล้วก็พูดตามความจัิงวจริงของัดของทมไม่แบ่งสู้แบ่งรับไม่เอนไม่เอียง พูดด้วยความเป็นธรรมถ้าเราพูดอย่างนี้ใครว่าผิดเอาให้คาดมาเราจะเป็นคนฟังเพราะเราพูดด้วยความเป็นธรรมจากการพิจารณาเรียบร้อยแล้วคืออย่างนี้แหละว่าเศรษฐีธรรมก็อยู่ที่นั่นเศรษฐีเงินก็อยู่ที่กระสงแดงเศรษฐีธรรมก็อยู่นั่นอย่างเงียบเลยนะเรียกว่าชุ่มเย็นทั้งโลกนี้และโลกหน้า โ ล, นะ โ, ลโลกนี้ก็สมบูรณ์ฝูงผลทุกสิ่งทุกอย่างให้กับโลกเย็นใจพี่น้องทัวท่ ว, วประเทศไทยเราใครขัดสนจนใจอะไรช่วยเหลือเต็มกําลังนั้นนั่นแะไม่ใช่ธรรมดานะไม่ใช่จะมาแบ่งให้แต่ว่านี้ทั่วประเทศไทยการแบ่งสู้แบ่งลาช่วยเหลือกันก็ท่านเหล่านี้แหะไม่ใช่ธรรมดานะเงียบเงียบทําอย่างเงียบเงียบอย่างนั้นแหะนั่นกาว่าการทำ บ, บุญก็เอาอย่างเห็นนี้แหละนี่ไม่มีแะเพียงตัวนี้นะ ที่ไหนที่จําเป็นตามวัดต่างๆที่สร้างที่วัตถุถาววรวัมีตั้งแต่กระดิงแดงทั้งนั้นนะใครไม่ไปเห็นจนะเฉยน่ะเราเห็นเรารู้หมดสร้างรัฐถูชาววรัตใหญ่ๆๆๆนี้ต้องวิ่งหากระดิงแดงกระดิงแดงช่วยหมดช่วยหมด่ว ย, มดวยหมดนะไม่ใช่มาเห็นตั้งแต่วัดจารบวัดจารอย่างเดียวที่อื่นมีเต็มไปหมดน้อยไหมละ่ะทักกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านล้านเงินที่ทุ่มลงไปเพื่อโลกสงสาร ให้ได้ประโยชน์ทั่วถึงกันก็เป็นอย่างนั้นหลายเ่ว่าไหมถึงการเวลาที่จะพูดพูดได้ไม่ผิดผู้ทํำทำด้วยความเป็นมหากุธินอย่างยิ่งพู้พูดก็เป็นการส่งเสริมความดีของพูดทําดีจะผิดไปไหนไม่ผิดเพราะฉะนั้นผู้ฟังขอให้ถือเป็นกระิ่งตัวยาอย่าง่างนี้นเขาให้เขาให้แล้วเราไม่ให้เขาก้วงขวางเรามีเงินเป็นเศรษฐีก็เป็นคนตัญญญาเอามาพูดในวงวัดนี้เราไม่อยากฟังเขาเ้าใจไหมเอาละเอามีอะไรว่ามา นี่เป็นเรื่องอะไรอีกเนี่ยวันไหนน้อวดสีกับผมเฮ้ยลงีกับผมโอ้องวดสีเหรอท่านสีไม่ได้มานะผมเฮ้ผมมาจากมาลเออท่านสีท่มาได้มาล่ะท่านก็แกจอายุนี่ก็อ่อนกว่าเราหน่อยแต่รู้ถือว่าร่างกายท่านจะโสมสูงกว่าเรานะแต่ท่านท่านอาจารย์สีนี่ท่านก็ฟังฟังงานเจ้ก่อนนะพระแท้พิสุทธิที่มงคล หลวงปู่ศรีมหาวีโรวัดประชาประชาคมวานารามวัดป่ากุ้งและวัดสาขาอำเภอศรีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยสิทธยานุสิิธิ์พุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าร่วมกันมาคารวะทอดผ้าป่าทองคำช่วยชาติกับพระ ทำมิสุทธิมงคลหลวงตาบัวงานสัมปันโนวัตรปารบัญตราอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีทองคำจำนวนหนึ่งกิโลกรัมน้ำหนักห8บาท93สตางค์เงินสดไทยจำนวน 2,072,967 บาท 25สตางค์ เ, เงินตราต่างประเทศไม่มีไม่มียอนลาไม่ ม, ม, มีแล้วขอให้ทุกทุกท่านอนุวันาสาธุ ก, การพร้อมหน้ากา<อ>ันสาธอาจารย์สีท่านก็มีสัยวัสนากว้างขวางไปคนละทิศละทางที่เรื่องนี้สัยวัสนาใหพระจะมาปรุงมาแต่งให้เป็นไม่ได้นะต้องเป็นขึ้นกำลังธรรมชาติคือเจ้าของเป็นผู้สร้างขึ้นมาเอง นิสัยวาสนากว้างแคบขึ้นอยู่กับตัวเองเป็นผู้สร้างใครครับแคบตีบตันก็คนนั้นกันิสัยวาสนาครับแคบตีบตันไปที่ไหนก็ไม่ค่อยมากไม่ค่อยสมบูรณ์ผลผ ล, ลผลู้ใดมีนิสัยกว้างขวางเฉลี่ยเผื่อแผ่การสมบูรให้ทานไม่อ่อนนั้นไปที่ไหนก็ตามมีบริษัทบริวารก็มีมากว่าอะไรก็เป็นอันนั้นขึ้นมาขึ้นมาเป็นเรียกว่าเป็นไปตามนิสัยวาสนา อย่าอาจารย์ศรีท่านก็มีนิสัยวาสนากว้างขวา ง, งเกี่ยวกับเครื่องไฟประชาชนพระเนยมาดั้งเดิมการมีนิสัยกว้างขวา ง, ง, ง, ง, งไปที่ไหนว่าอะไรลูกศิษย์ลูกหาเต็มบ้านเต็มเมืองเือพร้อมกันหมดพร้อมกันหมดนี่ท่านก็ไม่ได้มาแต่บริษัทบริวารลูกศิษย์ลูกหาของท่านมาจํานวนมากมาเต็มตลาเห็นไหมละ่ะเนี่ยหรือเท่านเป็นเหตุมีการสร้างบุญสร้างกุศล ท่านไม่มาก็บริษัทธ์บริวารทั้งหลายก็มาแล้วเพราะท่านแก่ท่านดูสิว่าอายุจะอ่อนกว่าเราหน่อยแต่จะชำรุดมากกว่าเรานะท่านก็เคยอยู่กับเรามา <c oughs> นี่มันพูดไปเกี่ยวข้องกับพูดชะบางนะท่านอยู่ว่าน้องผือด้วยกันกับเราท่านสีพันสาก็อ่อนกว่าเราแต่ท่านเคารพเรามากแต่ไหนแต่ไรมานะท่านนีก็ต๊อบอยู่ข้างข้างนี้ ทางเราออกเราก็กระต๊อบอยู่ทางนั้นเวลาเราออกมาเนี่ยเราเดินผ่านเข้าป่าท่านยุ่กับพวกเราอยู่ในป่าท่านก็มีกระต๊อบอยู่นี่เล็กๆนี้เราก็เดินผ่านไปผ่านมาท่านท่านมีโต๊ะเล็กๆโต๊ะสูงขนาดนี้เราผ่านไปผ่านมาบางทีท่านเห็นท่านเขียนหนังสืออยู่ที่โต๊ะสูงขนาดนี้ละท่านนั่งเขียนหนังสืออยู่เราก็ผ่าน ผ่านเข้าป่าแล้วผ่านออกมาไม่ว่าอะไรเพราะเราก็ไม่มองดูท่านแล้วก็ผ่านของเราไปพอดีบังเอิญจังหวะมันเหมาะสมกันพอดีแล้วก็พอเราผ่านเข้ามาท่านกำลังท่านมองแพร์มาพอมองแพรมาทําอะไรเราก็ตอบว่าทำอะไรเสญญียหมียนเรา ทําอะไรเสญญียเหรอนะวันจับจอมไปโยนข้ป่าเลยตั้งแต่วันรัตนมาไม่เห็นเลยโตเรียกเรียกแต่ก่อนท่านมาเขียนนี้ผ่านไปผ่านมาแล้วก็ไม่ว่าอะไรไม่สนใจกันแต่วันรัตนท่านมองแป๊บมาเราเราก็เลยตอบรับการมองกันว่าทําอะไรสเสียเหรอนะอัจนจับจอมไปโยนข้ป่าตั้งแต่วันรัตนมาไม่เห็นอีกเลยก็ท่านเคารพเรา แล้วก็พูดด้วยความหยอกเล่นด้วยมีคตินิสัยอยู่ในนั่นด้วยว่ามาอะไรคือแต่ก่อนท่านเป็นครู ม, มาั่งนกะว่างลวดลายครูให้อาจารย์ใหญ่ฟัง ด, ดูแล้วสิอาจารย์ใหญ่กันเหน็บก็ว่าทำอะไรเส <c oughs> ื่อมเียยไหญ่แล้วรักษาไม่ห็นอีกเลยท่านขอรบเรามากอาจารย์อาจารย์ศรีเนี่ยขอรบแต่ไหนอะไรมา อยกัพ่อแม่ครูอาจารย์ก็เหมือนกันท่านก็รบมาโดยลําดับจนกระทั่งปัจจุบันนี้ท่านนิยสมกันมากแต่ก่อนนั้นเคยอยู่กับเราอยู่ตอนอยู่ห้วยสายท่านก็เคยไปอยู่ด้วยตอนที่ท่านยังไม่ได้ออกไปเป็นผู้ใหญ่ปกครองว่าหมู่เพื่อนนะท่านเคยอยู่กับเราห้วยสายก็เคยไปอยู่ที่ไหนบ้างเราจําไม่ได้นะเพราะความก็รบของท่านนั่นแหละจึงต้องไปอยู่กับเราเราก็ไม่ได้เชื่อเชิญท่าน ก็เลยไปก็ปอยู่ที่ น, นั่นจากนั้นมาแล้วก็ไม่ค่อยได้พบกันงตจ น, านนานเนี่ยท่าจะมาสักทีหนึ่งทีหนึ่งอย่างนี้อนะาจารมีนิสัยวาสนากว้างขวางไปทางหนึ่งฉะนั้นอาจารย์ศรี <c oughs> คนต่างคนต่างมีนิสัยวาสนาเป็นของตัวจะไปปรุงแต่งขึ้นมาให้เป็นไม่ได้นะต้องเป็นขึ้นไปตา ม, มนิสัยวาสนาของใครที่เคยเกี่ยวข้องมาอย่างไงมันก็เป็นไปอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นแหละ ในขั้นพุทธการก็กเช่นเดียวกันท่านจึงยกให้เป็นเอตสัคะเลิศคนลิตละทางในบรรดาสาวก80องค์เช่นอย่างภาษาญีุ่ตรเลิศทางด้านปัญญาฝนตกเจ็ดวันเจ็ดคืนภาษาญีบุตรนับได้หมดนั่นปัญญาความรวดเร็วของปัญญาพระโมคคันลานี้หอเหินเดินฟ้าดำดินบินบน ได้หมดนี่ก็เป็นเอจักเลิศในทางมีฤิ์ชาสักดาดูภาพมากพระสารีบุตรก็เลิศในทางสติปัญญาเฉลียวฉลาดพระอนุนก็เลิศในเขาในการศึกษาอบรมมามากเป็นพระหูสูตรเป็นพุทุกวทาของพระพุเทธเจ้านี่ก็เลิศถึงหสถานพระพร ะ, พระนอกนั้นเลิศทางนั้นเลิศทางนั้นเช่นพระ อ, อะไร พระโสดาท่านเลิกทางความเพี้ยนกล้าเนี่ยอย่างนั้นแหละเหตุที่เป็นความเพี้ยนกล้าเพราะอะไรเพราะพระโสดาที่ว่าไดยับเอตสัะคือความเลิกในทางความเพี้ยนกล้ามีท่านเดินจนโกมจนฝ่าเท้าแตกนะเป็นพระมค พ, พระโสดนาะท่านเดินจนกกมภาวนานี่จนกระทั่งฝ่าเท้าแตกมีเวลาสําเร็จผลเป็นที่พอใจแล้วก็พระพุทธเจ้าทรงตั้งให้ โดยเหตุผลพอดีพระมากว่าตั้งให้ท่านเป็นเอเสคเลิศในทางความภาค เ, เปีย่ยนนีนนนนน่ก็เป็นอย่างนั้นองค์นี้เลิศทางนั้นองค์นั้นเลิศทางนั้นเราจะไปตกแต่งเอาโดยลำทางเราเฉเศษสรรบรรยอโดยไม่มีพื้นฐานมาตะก่อนไม่ได้นะ <c oughs> อันนี้ท่านจะมีพื้นฐานมาอย่างนั้นก็เป็นอย่างนั้นน่ะอันนี้ก็เริ่มพูดธรรมะให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายฝั่งตัวหน้ากันนะ พูดไปนานๆก็มาไดา <c oughs> า้แล้วหูอื้อพอหูอื้อแล้วพูดไปรู้เรื่องต้องหยุดเลยเดี๋ยวนี้หูอื้อแล้วนะพอเริ่มพูดไปไม่นานหูอื้อหูอื้อแล้วต้องหยุดเท่จไม่ได้สับได้แสงอะไรเลยเวันนี้พิ่าบรรด า, ดาพี่น้องทั้งหลายมาคารวะทำบุญให้ชายทอดผ้าป่าสร้างมหากุศลรวมกันกับหลายจังหวัดที่มานี้มีจังหวัดร้อยเอ็ดนี้ มีอาจารย์ศรีเป็นหัวหน้าเป็นประธานนําพี่น้องต่างหลายมาจากจังหวัดต่างๆมารวมกันนี้ศาลาหลังนี้ก็ว่ากว้างว่าขวางเลยดูยินนี่ครับแขบไปหมดเลยไม่มีความหมายศาลาหลังนี้เพราะคนมามากกันะวันนี้ท่านต่างหลายได้มารวมกันมาสร้างมหากุศสนลบุญเพื่อเป็นผลป็นประโยชน์แก่ชีวิตจิตใจของตนชีวิตจิตใจใจนี้เป็นของไม่ตายขอให้ท่านต่างหลายทราบเอาไว้นะร่างกายนี้ตาย ผสมกันแล้วเรียกว่าเกิดพอธาตุสีินี้น้ำลมไฟถ้าเป็นธาตุหยาบๆคือมนุษย์สัตว์ของเรานี่เรียกว่าธาตุหยาธาตุเทวเท ว, า ว, าวดาอินพรมเป็นธาตุที่ละเอียดเป็นนมามธรรมอันนั้นมาแล้วมาพูดแหละนั่นแต่ยังไงก็เป็นร่างของจิตจนได้นั่นแหละจิตก็ไปอาศัยในร่างไร้ร่างไรก็ปรากฏเป็นสัตว์ประเภทนั้นประเภทนั้นขึ้นมานี่จิตมาอาศัยร่างมนุษย์เรายังอยู่ด้วยกันนี้เป็นมนุษย์ทั้งหมดเนี่ยมีจิต อยู่ในกงกลางตัวของเราที่ชีวิตยังเป็นอยู่นี่คือจิตของร่างอยู่ในนี้รับผิดชอบอยู่เรียกว่าชีวิตนี้จึงยังครองร่างอยู่ทีนี้เมื่อจิตถึงการเวลาคาดขันก็ใช้ไม่ได้แล้วเป็นอะัหมดสภาพล้วสังคาดขันจิตก็ดีดออกจากคาดขันนี้ไปสู่ร่างใหม่ การไปสู่รากใหม่ก็เหมือนกับเราไปสร้างบ้านสร้างเรือนบ้านเรือนหลังนี้พังแล้วเราจะปลูบ้านใหม่เรือนใหม่แทนบ้านหลังนี้นั้นก็ขึ้นอยู่กับคุณทรัพย์สมบัติของเรามีมากมีน้อยถ้าใครเป็นคนจนบ้านหลังนี้พังแล้วไปสร้างบ้านหลังใหม่ก็อาจได้กระตอ๊อบก็ได้นะหลังเล็กๆ ก, ก็ได้ถ้าใครมีสมบัติเงินทองมาก ไปสร้างให้หลังใหญ่โตขนาดไหนก็ก็ได้นะ่นอันนี้คือขึ้นอยู่กับบุญกรรมของเจ้าของเมื่อใจหมดใจร่างกายหมดสภาพแล้วจิตดีบออกไปแล้วจะไปสร้างที่อยู่ใหม่บุญมีบุญมากน้อยเพียงไรจิตดวงนั้นถ้าจิตดวงนั้น <c oughs> ไม่มีกุศลมากมีแต่บาปหาตั้งแต่กรรมก็ไปสร้างกับเป็นร่า ง, เ ป, างเป็นรูปร่างของเปรตของผีของสัตว์นรกเ อ, อื้อยจีไป แทนที่จะเป็นดีไปดีไม่ไปนะเพราะกรรมนั่นแหละตามราวีกรรมก็คือการกระทําของตัวเองทําความชั่วช้าละโมกลงไปได้มากเท่าไหร่ก็ทับเข้ามาทับเข้ามาหาเจ้าของเวลาตายแล้วสวรรค์ชั้นพรหมมีกว้างกว้างขนาดไหนไม่ยอมไปแหวกแนลลงไปหาสัตว์นรกเอ่ยจีเป็นเป็ดเป็นผีไปอย่างนั้น น, นี่คือคนสร้างความชั่วช้าละโมกให้ฝากจำเอาไว้ให้ระวังนะ คำพูดเจนนี้เป็นคำพูดของศาสตาองค์เอกไม่ใช่คำพูดของตาชีตาศาสต์หูหนวกตาบอดมาสอนพวกเรานะพุทธศาสนาเป็นศาสนาของท่านผู้ทรงกวีถูรู้แจ้งแจ้งทะลุทั่วโลกทั้งโลกนอกโลกในโลกผีโลกคนโลกเปรตโลกสัตว์อะไรเทบุตรเทวดาอินฟลูรู้รอบไปหมดก็คือองค์ศาสตาองค์นี้บอกนรก อ, อะไรรู้รอบไปหมด นำมาสอนจริงไม่มีคําว่าผิดว่าพลาดไปสดสดร้อนๆท่านจะนิพพานไปแล้วกี่ปีกี่เดือนก็ตามความที่ท่านสอนไว้แล้วเป็นสวัาดธรรมจัดไว้ชอบแล้วจัดไวดไ้ชอบแล้วไม่มีที่จะได้เปลี่ยนแปลงแก้ไขให้เป็นอย่างอื่นอย่างใดอีกได้คือคําสอนของพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่างไงเป็นอย่างนั้นท่านสอนเช่นว่ามีบุญมีนรกมีสวรรค์มีพวกเปรตพวกผีมี พมโลคมีนิพผานนี้พระองค์ทรงรู้ทรงเห็นหมดแล้วจึงเลนําสิ่งเหล่านี้มาสอนพวกเราซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็มีทั้งดีทั้งชั่วอันใดที่ชั่วก็มาสอนพวกเปตรตอสุรกาศนรกและดเดือฉานเหล่านี้เป็นของไม่ดีเกิดขึ้นจากการทําชั่วของเจ้าของเองจะต้องไปเสวยทุกข์อยู่ในหลุงทรมานอันนี้เพราะนั่นจึงพากันธรรมัดระวังหนีพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ ที่ทางดีก็สวัสตั้งแต่มนุษย์ลงไป ข, ขึ้นไปหาสวรรค์ชั้นพรมถึงนิพพานนี่เป็นทางที่ถูกที่ดีสถานที่รื่นเริงบันเทิงเป็นที่สุดบรมสุขอยู่ที่นิพพานจากการสร้างความดีของแต่และคนละคนที่จะสร้างเอาเจ้าของจะเป็นเจ้าของตัวเองผู้สร้างจะเป็นเจ้าของสมบัติของเรานี้แต่ผู้เดียวผู้เดียวไม่มีใครจะมาแย่งมาชิงไปได้นี่ให้เราเลือกเฟ้นสร้างเสียเวลานี้ แล้วมีชีวิตยอยู่ดี่ใจที่เป็นของไม่ตายไปตกเรก่ร่กี่กับกี่กันนานแสนนานทุกขนาดไหนสัตว์ที่มีกำหนักยอมยอมรับว่าทุกตลอดการไปเลยแต่ไม่ยอมที่หายคือใจเรื่องทุกนั่นยอมรับทุกจะมากน้อยเพียงไรก็เป็นไปตามกำหนักเบามากน้อยของตัวเองแต่เรื่องจะให้ชิบหายนั้นไม่ชิบหายจิตตรง น, นี้แต่โลกนี้เป็นโลกอนนี้จังไม่เปลี่ยนช้าก็ต้องเปลี่ยนเร็ว แม่ไปตกอยู่ในโรกขี่กับขี่กันก็มีการเปลี่ยนแปลงได้ทเรียกว่าโลก อ, อันนี้จังเป็นโลกสมมตุติถ้าเปลี่ยนจากชั่วมวดกรรม น, นั้นแล้วก็ค่อยเคลื่อนย้ายขึ้นมาสู่ความดีงามพอรู้ตัวแล้วก็พยายามสร้างความดีงามให้หนักขึ้นไปหนักขึ้นไปก็กลายเป็นรูปร่างของมนุษย์ของเทบุตรเทวดาอินพรมขึ้นไปเลยจนกระทั่งถึงที่สุดแห่งความดีที่ตนได้สร้างมาเต็มภูมิแล้วกล้าเข้าสู่นิพพานดับนิรันดร์ที่นี่ แล้วจิตไปไหนที่หนี่ดับเอาเอาให้ถึงที่สุดของจิตสิจิตลงไปในโลกตั้งขีดกับขีดกับขีดกันตรงในโลกก็ไม่ได้ชีพหายพอจากในโกขึ้นมาแล้วก้าวเข้ามาสู่พบมนุษย์บราเทอาเทวดาอินพรมขึ้นไปโจ้ก็ตั้งถึงนิพพานจิตนีิสูนไปไหนพอถึงนิพพานแล้วนั่นเป็นที่สุดของวิถีของจิตจะไปถึงที่นั่นจะไปไหนพอถึงที่สุดแล้วเป็นจิตต่มมุตย์ กลายเป็นจิต เ, เรียกว่าธรรมธาตุไปเลยธรรมธาตุนั้นเป็ น, ปนธรรมธาตุที่เลิศเลยสุดยอดแล้วในโลกธาตุนี้อยู่ธรรมธาตุอย่งเดียวจิตของท่านผู้บูริสุทธิ์สุดส่วนแล้วไปเป็นจิตธรรมธาตุไม่ชิบหายให้ท่านอะไรจำามาไว้นะตรงนรกจี่กับจีกานก็ไม่ชิบหายขึ้นกระทั่งถึงนิพพานนิพพานก็เป็นนิพพานเที่ยงเสียไม่ชิบหายแล้วจากนั้นเราจะเปลี่ยน ชื่อชื่อเป็นไบพจน์ของกันและกันได้เช่นนิพพานบ้างธรรมชาติบ้างเอาได้ทั้งสองอย่างนี้เป็นธรรมชาติที่เที่ยงเหมือนกันไม่เคยสูญหายไปไหนให Clear ้พากันจับเอาใจดวงนี้แหละเพราะงั้นจึงให้บํารุงใจสร้างที่สูงที่ดีย้ายไปรับความทุกข์ความทรมานแม้ไม่ที่หายแต่ไปรับความทุกข์อยู่ดีชั่วโมงใครจะอยากไปรับความทุกข์นี่ยังตกโรกตั้งกี่กับจีกันใครอยากจะไปรับให้รีบกัวเช่ตั้งแต่วันนี้นะการสร้าง ความชั่วชา้าแหลวมวงไม่ใช่ของหนีสร้างมากสร้างน้อยเป็นภยัยแเจตัวเองตลอดไปสร้างมากเท่าไรจนกระทั่งถึงจมที่กับปีกันก็ขึ้นไม่ได้นั่นเราจะว่าใครเป็นคนทําให้เราเป็นคนทําเองให้พากันนมัตระวังเสียเรามาพบบ่อแห่งความเลิศเลยได้แก่พุทธศาสนาศาสนาของพระพุทธเจ้าเป็นศาสนาของท่านผู้สิ้นจิเลโดยสิ้นเชิงแล้วไม่มีอะไรเหลือที่จะมาปิดบงังลี้ลับให้พูะเุทธเจ้ทรงทราบไม่ได้ไม่มี ทรงทราบได้หมดแล้วนํามาสอนโลกทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วให้ฟกากันคัดเลือกเอาอะไรชั่วพระพุทธเจ้าสอนว่าให้ละให้แล้ก็ให้รีบละยาฆ่าาหารัานชันขยียบหัวพุทธเจ้าไปโดยถือว่าเป็นของดีของดีไม่ได้นะจอมอะไรที่ว่าดีก็ให้ทําตามพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนเยียบร้อยแล้วนั้นเราจะค่อยเป็นคนดีคนดียกฐานะตัวของเราขึ้นให้ดีๆยาไปเหยียบฐานะของตนให้ตำซาบลงไปคนทั้งคนใครจะฉลาดยิ่งกว่ามนุษย์ จะฉลาดทําความชั่วช้าละโม ก, ก็จงในโลกได้เหมือนกันนะอย่าเข้าใจว่าตัวเป็นคนฉลาดมันฉลาดได้ทั้งๆความชั่วความดีถ้าผิดพลาดไปละความฉลาดนั้นมันกล้าเป็นความโง่มหาโง่พาเจ้าของสร้างความชั่วช้าละโมตายแล้วก็ไปโจบโลกเพราะจิตนี้ไม่ชิบหายลงในรลกลงได้ไปได้พ้นจากโลกไปสวรา์ออกจากนั้นไปธรรมธาตุก็ว่ามีคําว่าศูนย์คือใจตรงนี้สาฟ้ากันสร้างว้นะ วันนี้เป็นวันมหามงคลของพี่น้องทั้งหลายที่จะมาฟังอัดฟังธรรมดังที่เทศวันนี้เราก็ไม่ได้เทศอยู่เรื่อยๆนะเทศให้พี่น้องหลายฝั่งเพราะเวลานี้เท่าแก่มากแล้วการเทศน์นัว่าการลำบากไม่เหมือนแต่ก่อนพูดไปพูดมาพูดไปว่าหูอื้อเพราะอื้อแล้วพูดอะไรไม่รู้เรื่องก็ต้องหยุดอันนี้มันก็เจอมันมันเริ่มจะอู้แล้วจึงขอให้ท่านทั้งหลาย จ, า จ, จําอัดจำธรรมของหลวงตาบัว น, นี้ไปสอน หลวงตาบัวที่สอนทีพี่น้องต่างหลายนี่ได้ปฏิบัติมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยว่ากเป็นฟ้ากตายว่างั้นจนะรอดเป็นรอดตายมาที่ได้มาสอนในเบื้องต้นเราไม่ได้คิดว่าเราจะสอนใครเราจะสอนแต่ตัวคนเดียวเรียนเป็นนักธรรมถึงมหาปริญญมาก็สอนเราคนเดียวไม่ไปสอนใครเลยทุ่มหลูกให้เราคนเดียวพอสอนเราเต็มเม็ดเต็มหน่วยได้เต็มตามภูมแห่ความมุ่งหวังเราแล้วจากนั้นมากับความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับโรคสารที่ผู้มีความ ปกค้องต้องการมีอยู่มากๆก็ต้องเลยสงเคราะหกันไปเป็นธรรมราดึงได้สอนโลกอยู่เวลานี้แหละก็ได้สอนเต็มกําลังควสามารถเพราะการทุกท่านได้ฟังได้ยินได้ฟังแล้วให้นําเอาธรรมานีิไปปฏิบัติตนเองจากการสอนที่สอนไว้แล้วนี่ไม่ผิดเพราะเราผ่านมาแล้วทุกด้านทุกดทางทั้งดีทั้งชั่วผ่านมาหมดจนกระทั่งถึงที่สุดหายสงสัยทุกสิ่งทุกอย่างในโลกสมมติไม่มีอะไร ข้อภารกิใจใจก็นําทําเหล่านี้มาสอนทั้งหลายด้วยความถูกต้องแม่นยายัางขอให้พากันนําไ ป, ประพื้นปฏิบัติวันนี้เป็นกุศลมหากุศลของพว ก, ก, ก, กเราที่ได้มาจิตใจคิดน้อมนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์น้อมนึกถึงการทำบุญให้ทานรักษาศีน้อมนึกถึงบุญกุศลมาตลอดตั้งแต่เราเริ่มรู้เรื่องรู้ ร, ร, ราวในการที่จะมารวมมามหากุศลทางนี้ตลอดมาจนกรสทั่งบัดนี้นี่เป็นการสร้างบุญสร้างกุศลแต่ตัวของเราเรื่อยมา แล้มาฟังแล้วก็ฟังเอาบุญเอาส่วนจริงๆอย่าสักแต่ว่าฟังฟังแล้วก็นํำทานี้ไปแลเลือกเป็นคู่จิตใจของตัวเองราก้าวเดินไปตามบ้านตามถึงบ้านถึงเลือนของตนก็เอาบุญกุศลไปเรื่อยมากับขนบุญกุศลมานั่งก็ขนบุญกุศลเข้าสู่ใจกลับไปบ้านก็ขนบุญกุศลจากการได้ยินได้ฟังมาแล้วนี่ไปถึงบ้านถึงเลือนแล้วก็สมบุญบุญผลด้วยความดีทั้งหลายยิงขอยทั้งหลายจําเอาไว้ให้ดีนะ วันนี้เท่ก็เท่มากไม่ได้ละดวงตานี้อ่อนมากแล้วทุกวันนี้นวน์นวัน์เท่มากอยู่ทุกธรรมดาพวกไว้เดียวกันเท่ไม่ก็ได้เหมือนเราละเพราะไปไม่ไหวชาติขันแต่นี้เราก็บึก บ, บึนพอไปได้ท่านตลาดได้ยินได้ฟังแล้วอย่าประมาทนะชาตินี้เราเกิดเป็นมนุษย์ชาติเดียวเราจะไปเบี่ยงจัดฉันเอาตัวตลำบากตัวเองเกิดชั้นหน้าจะเปเห็นเทวดาอินผมเราจะไปที่ผ่านไม่ได้นะ ต้องขึ้นอยู่กระบวนกรรมของเราที่ได้ยินได้ฟังปรับปรุตงตัวเองให้ดีระดีเท่าไหรระดับตัวจะสูงขึ้นเรื่อยสูงขึ้นเรื่อยถ้าไปทำความชั่วช้าเราโ ก, ก็เท่ากับทำลายตัวเองลงไประดับต้มลงในโรกในหลานลนั่งเลืยกันเทลาเนี่ยพูดจะไปในโลกก็มีมากพูดจะไปสวรรค์ที่ผ่านก็มีมากเช่นเดียวกันเราจะเป็นคนเช่นไรในจํานวนคนเหล่านี้เราจะเป็นคนสมัครไปในโลกได้การกันทำความชั่วหรือเราจะสมัครตัวไป สวรรค์พรหมโลกนี้พาด้วยการสร้างความดีให้ลืกลืบเพลินตั้งแต่วันนี้จากคำที่สอนและเวลานี้ไม่ผิดยังขอให้ทุกๆกท่านจําเอาให้ถึงใจนําประจักษ์นี้ไปบ้านให้ลึกพูดโทรทัมโอหรือสังโปก็ได้ให้ติดถึงหัวใจไปเป็นการว่ารับเทิดทุนบุญตั้งแต่ออกจากบ้านมาจนถึงนี้แล้วฟังบุญฟังธรรมธรรมแท้แท้สถาวการทั้งแล้วกับเทิดทุนทําไปจนถึงบ้านเรือนของเราทุกคนนะ การแสดงธรรมนี่ก็เห็นว่าสมควรแก่ธาตุแก่าัา จ, าจากกาลเวลาขอความสวัสดีตรงมีแก่บรรดาพี่น้องตั้งหลายมีพระที่ท่านมาเป็นประธานเป็นต้นโดยทั่วกันเทิน<อ><อ>พระกระเพร์ไปด้วยกันนีแลาว้วนะขอโ อ, อกาสดำวัดนครคารวะเงี้ยขขอโอกาสคารวะนครเอามาม กราบเดประสงค์ท <unlucky S 2> ั <Wasn 't S 1> ้งหลายกราบเดาน้ำหลงกองน้งกองน้ำอะไรน้ำลองกองนี่น้ำไน้งกองเออเอาเอาหัวไปเลยอจับแค่นี้มัมันจะไหวโอ้ยโยนาโมตัตภะวโตะ สัมปุทตะจนาโมตัสาภะคะวะโตหะโตสมมาสัมปุทัจนาโมตตะจภะคะวะโตอะระหะโตสัมปุทตะจมาเทเลปมาเนนะ ดาวลัตัยนักตั้งทราบปัอภ a ลาทังขมาตุโนพันเถมาเถรเปมานนาดาวลัตยนักตั้งทราบปั p อลาทังขมาตุโนพันเถ มหาเถรปมาเนนนวาลาเยนตังสับะปาลัดังกมตโนพันเถนเออตอนนี้กพอตอนนี้เราก็ไวทีน่นะเออไน่เรากก็ไวทีนั่นเลยลว่าเออว่างเพียงเลยเออว่างเออว่างนันะว่างนั่นละเออว่างนั่นะ เรียกว่าคำมาเรียบร้อยแล้วออาที่จะรับคำมาอ่างคำมามีจุมเฮหิปิเมคมีตับบงังคำมามาวันเตเวังห่ตุโยจะไปใบประเ บ, บประมัดสติโซมังโลกังปะพาเซติอาพุโมโตจันดิมังจัดนันยะสับปะปังกตังกัมบังกุเชเละดับเบยะติ โซมังโลกังบพ่าเทติอภามุตโตวจันดิมาอภิวาธนสีนิสนิจังวุธาปจายนโนจัตตาโรธรมาวาทานเตอายุวันโนโสขงาาังภาลาโตเออพวกทันแต่ายมาขอกบมาบนญธพระลูกพระหลาน ให้ตั้งใจปฏิบัติให้ดีงามนะอย่าลืมเนื้อลืมตัวเท่านั้นนะไม่พูดมากแล้วเอามาแล้วว่างอ่ะมันพูดไม่ชั่วถึงมันมากก่มากไม่ทราบต้อางอะไบ้างเต่แตล่อง เออเอาบางเออาเอาคอยรับขอรับทองคำทองคำคอรับไรบาทเฮมบาทอเออบาทพใจใจอืเปิดเปิดผ้าม่านน้อยเปิดผม่านน้อยลมไม่ผ่าน สีวันนีที่พ่อแม่ประเทศปนะูอํอำเภอนา瓦จังหวัดนครพนมถ้าทองคำอุทิศจนบนหนึ่งบาทเงินสด 2, ส 2> องพนสอยบาทเออ เ, ออเออข้าใจเอเข้ามาข้ารับอันนี้ก็ข้ารับ ทางนี way, ้ก็รับทางนี yeah. uh ้ก uh, ็ไฟรับทางนี้ก็รับนะเไสงางรับารับาครับอรับา จากราการาแล้วว่าออกวาแล้วว่าแล้วออกยากาด้วยคนันก็วางวางแล้วว่าแล้วออกวาแล้วว่าแล้วออกวางแล้าคนดันก็วางวาแล้วว่าแล้วออกวาการต้หลังนี่หหน่อยะต้หลัหน่อย ออยู่ก็กทอครับี่แค oh ่18นาทีครับครับนมตองพูดอะไรแล้วไปแต่ของวันนี้นะจ้าวว่าหลาน่ลนันเพ่เขาไปนยุน กามาพ่อพ่อแม่ของแก้วอ่ะถวายห้าพันบาทเขาบอกเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ปาเอาเงินมาให้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ปาใจผอมเงินไปก่อนเขาเขาแจ้งมาทำโทรศัพท์บอกใจเนี่ยกําลังจัดกำลังจัดมาให้แล้วบอกเข้หร่าผมจะให้ทัพแก่ดีใจกำลังดูกําลังดูทีวีอยู่ทัพแก่กามาอให้ดีใจหน่อย เตียแก้วเหรอเตีแก้วเนี่ยห้าพเออแปงแปงเข้าแก่เสียงเ้าแก่เตียแก้วเออเสียแก้วเหรอเออเตียแก้วเนี่ยครับเข้าแก่เสียแก้วเอาถวายเงินมาห้าพัห้ันหลวงตาดะรับแล้วรับแล้วนะเออเข้าแก่นั้ยนะเี๋ยวของแก้วเนี่นะเข้าแก่เตียของแก้วถวายเงินมาห้าันหลวงตาจรับแล้วทราบหรือยังถ้าไม่ทราบมาบอกยน่ว่ายังไม่ทราบจะทวงดอกเบี้ยอีกนะ ให้ไปจ่ายสามพันบาทแล้วองค์ลตาผ้าปัวนางอัญชลีพุดมไทยจากป ร, ราส ล, ลัากาม เ, เออลตาได้รับแล้วเนไดรับแล้วได้รับแล้วบอกไปแล้วลนะจ่ายเอเอนีอ่ผู้สวหายมา อาครับทราบลนะวายถึงองค์ลวงตานาอัญชลีอุดมชัยจากวารคารารับแล้วอันนี้นนะ่านอะไระไราลีอุดมชยัยจากวาราคารารับแรสามพบาทเออรับแล้วตอบแล้วครับ เออเออเ่อครับถิมใหญ่เด็ดใหญ่ร้อยวเตียวเตีร้อยเอกเออเออหอลมอลออหออหมอลมีหมออยมานบัล่ะหมอลหมีหมออยมานบล่ะ ข่ะหมอสอยใช่ไม่ได้เหนือเหนอได้จะหมอล่ำหมอสอยว่าได้ใช่ไม่ได้นี่ นีครับมาแล้วครับเนี่ยห้าพันมะเกี้เท่าแกักบเท่าแกกับอามารครับว่าว่ออาแล้วแม่แก้วแล้วแล้วเท่าแก่เสียของแก้วนะออแก้วของแก้วเท่าแกเสียของแก้วล้ลห้าันห้าันใจออกไปก่อน เ, ออเนี่ ย, ยเขาคิดออกเปี้ยเอง หมอร่ำมาบ่ได้หมอสอยมากมันช่บ่ได้ได้หมอรํำมาบ่ได้หมอสอยมานําำมันฟังบ่ได้นะมันขาดอะไรมีอยู่นเดียวไปไปเด็กนะเขาวา ไปด้วยนะเขาดังเขามาอยู่ด้วยล่ะคนทั้งบ้าทั้งเบื่อเป็นบ้าคนเดียวเราไม่อยากดูู้าวก็ว่างั้นสิเขาไม่เปลี่นมาเป็นคนเดียวเขาก็ถูกเงี้ยนะพูด เขาว่าแล้วออกว่าแล้วว่าแล้วออกว่าแล้วว่าแล้วออกอยากรว่าแล้วออก ไายลุงตา500ลูกสาวผมสีโสภาดูหน้าพานิด500ร้อแล้วนี่แม่ลูกสีกระพอย 1,000 บาทออไายลุงตาครับออไ ป, ไปค่อยบ้าค่อยบ้างครับโ ค, รบคดรเด่นนะสลาหลังนรับวันนี้แน่น<อ> <C oughs> เอาว่าแล้ว่าแล้วออกว่าแล้วออกอย่ากาบอย่ากาบตีหลังคนนี้ให้หน่อยมันกาบอยู่นี่นะบอกว่าแล้วออกมันมาขับมาบ้าบ้ฟาดหลังมันเลยว่าแล้วออกตีแล้วใครบอกนะ่ก้าวเราไปว่าแล้วออกว่าอะเอาใครมามาบอกว่าให้ว่าแล้วออกยังมากาบว่าบ้าบ้ตีหลังให้หน่อย ตีหลังเขบอกว่าไหวแล้วออกไปตีหลังเขาไปไปนี่ะดันเขามาน่ะอากมาแล้วเอาเอาเอาไหวแล้วออกไหวออกไม่ต้องกล้าไม่ต้องกล้ากดดันมาไหวออกตีหลังนี่หน่อยนะมันยังไงกันม่ดูหน้าดูหลังเขา เขาว่าเขาว่าเอ่าวาเขาวาเขาว่าอะไรอะไรหัดตัวไมร่ได้ว่าหาตามรอย เอาตัวไปเลยอย่ามาหาตามรอยไม่ตามเราได้ตัวเอาตัวไปเลยอย่ามาหาตามรอยไม่ตามเราจะคนรกด้ารายใหญ่ยินนายด้ยิ่งเยอว่าข้างหลังไม่ทำบุญเนี<ะ>่ยนะดาวพระคอมถ้าเขาไม่ทาบุญนั่งนาาแหละไม่ทำบุญเน เขาว่าเขาว่าเขาว่าเขาว่าว่าแล้วไหวแล้วออกไ่าแล้ววแล้วออกอย่ากราบอย่ากราบว่าแล้วออกกราบหลักกราบฟาดหลักให้หน่อยอเป้ไงเอ้าบอกไหวกับกราบมันต่างกัน่บอกว่าแล้วออกจะมากราบว่าใส่หรืว่แล้วไหแล้วออกว่ากันตีแล้วค่อยบอกเนี่ยใส่ <dzisiaj> ว่าวนะโตโตวว้าวว้าวขอใจขอใจนี่ว้าหลวงตาบัวพาวาม่ก็เป็นใบบาี้หลวงตาเจ้า่ะข้าวปานพีศรีทพีธรรมะโรวัดอโศการามกลบน้อมสวา พอใจรวมกันมาทั้งหมดประมาณ 15,000 บาทเจ้าค่ะเออเออพอใจพอใจเอาเกุ้งกุ้งเจ้าค่ะกุ้งกัถวายตออคำหนึ่งบาทเอ็นสดตรงนี้ 10,000 บาทเจ้าค่ะเออเออพอใจเอารับเลยประตกขับเราไเลยอ่อ่าไปอ่าส่งไปเฮ้ยขว้าขว่าขว้า สมเด็สมเด็จสักราชอันนี้เออพอใจแล้วเด็ดสักรลลาดตัวดีนมลหลวงูสามาเจ้า่เออดีแล้วเออดีมีหลวงผู้สาวหลวงผู้ว่านกัตตากระบะเออเออลองผูว่านเอาว่าเอไปมีหลวงผู่ขาวเออลองปู้ขาว ว่าูเชี่ยค่ะแล้วู่เชี่ยเลยบ่งเปงบง้งแล้วก็มีเสียงฟ้าผ่าเจ้าค่่ทำาเนี่ยทาูเจ้าก้ไปมาหนัดมาอ่แล้วแลู้ดุเจ้าค่ะแล้วผูดุนว่าว่าแล้วผูมงแวูพด เจ็ดะเจ้าให้พอด้วยพอด้วยพอด้วยพอ้ให้พอวยอดวยทาวารหาภูราริรุเรนติสากรัง เอวะเมวะอิโตเินงเปตานังอุปะกับปติอิชิตังปฏิตังตุมหังทิปมเมวะสมิจตูัาเพกูแรนตูสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวาจันตูสัพโรโควินาสตุวะมาเตปวัตมันตราโย สุขีธีขาอยู่โกภาวะอภิวาทาราสินิสนิจังบุธาปจายิโนจัตารธรรมาวาทานเตอายุวนโนโสขังภาลัง่าเสร็จแล้วนี่เสร็จแล้วอ่ คนบานตามไปมากคนไปกลับทำงานพระเรากลับไปหม้พระไปหมดแล้วแถวนี้หมดอาอมาไม่ทันกับากาอสีค่ะมาไม่ทันห่งบาทขายห้าสิบา เออไปเอาวะอาวเออไปโอเออเอาละเอาละ ตะก้าใบใหญ่เอางั้นมารับใช้หลวงตาตะก้าใบใหญ่หายไปนะรตะก้าหายครับผมสวัีค่ะที่ไม่ใชาติดใบใหญ่สี่ั้งสี่คนยกนะคะหลวงตา้ายไปหาอยู่แถวบ้านตาเอ้ยกทานไปเลยหนูจะเอาไปรับใช้หลวงตาแล้วยกทานไปเลยยกทานไปเลยให้ทานไปเลยให้านไปเลยเออมันจมีอริสงมากเอายกทานไปเลยเออเอาเลยนะเานันละเานันละ ยกให้เป็นทานไปเลยลูกมาจากร้านเสาเอกสุรินค่ะร้านเสาเอกสุรินค่ะไหนเสาเอกสุรินครับฟังเราก็ทิมกันมันหายไปตามทางเพราะเจ้าของมันเซ่อวร์เทเกี่ยวกะเทมครับผม่วจะได้หาไว้ไว้เถอะ กับคณะไม่าในหลวงตาแต่เป้เซออยู่ข้างในหลวงตามดอกม้เลยนั่นกลังมานั่นเดี๋ยวราหลวงตาลค่ะกลับแล้วนะมีโอกาสไปแถวจีนนมดหลวงตานะคะร้านสาวเอกน่ะค่ะไปกลับเข้าวาาา เออเย้เย <aaa> ้อะไรฮะที่เขาใครพี่บานเจ้าค่ะกราบน้อมสวายทองทำบูชาขนตาหบาทดีวค่ะอออเอออ๋ออ๋อไเข้าไปเข้าๆเออไปต้นอยุครับผมเออะไร ต้นวิทยุจากการรวมน้ำใจของประชาชนจากสวายลุงตาจำนวนเงินห้าหมื่นหกร้อยสี่สิบห้าบาทดอลล่าหนึ่งดอลพอใจพอใจขนะส่วนรถรถยนต์รถใหญ่มีเยอะนะเราไม่ได้วองรถรถใหญ่เยอะเน่ะเต็มเต็มรถใหญ่เออ เสร็จแล้วนาที่เสแล้วโอ้เหนื่อยเหมือนกันนะเราเทรนน่ะตั้ึงน่บ่ายโมงพอนึ่งนี่สองชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงกว่าอ่านี้มาไอะไร้ไดก็ให้มาได้ที่ีมาขออย มันขออะไรไม่อยู่ไม่ขออยูเ่เบสตกีดีให้ไปแล้วเดมาขอยายอยู่ใช่ไปไปไปไหนล่ะไปเลยไปเลยไปเลยไปเหรออะไรไ <ป S 1> พระปาราสลายน่สอาหาสอคอประมาณสี่0 0บาทเจ็ดบาทสี่หมืนเจ็ดพันบาทที่เพออะไรครับอพระปาราสลาครับแล้วสี่หมื่นเจ0ันบาททวนครับเอก็เอาไปแล้วนั่นครับจะมาหาอะไรอีก เอามาขูนบ่อยๆก็อร่อยดีใช่ไเอามาขุนชิมบ่อยๆก็อร่อยดีนะครับอามาอมบ่อยชิมเล็ชิมแล้วอร่อยดีครับมีเขาเขาบอกเขาถวายอุทิศให้คุณพ่อเจริญสุวรรณมงคลห0 0 0มืนบาทที่ให้เช็คมานี่ครับเออเช็คเยเช็คนี่ครับเช็คนี้อ้โนี่ครับวยหนึ่งหมื่ครับเอออพอใจพอใจเออตาพอใจเออพอใจเปล่าล่ะเออพอใจว่า คุณกรนกกรเจ้าค่าโทรศัพท์มาขอถวายพระองค์ตาด้วยหนึ่งพันบาทเจ้าค่าพอใจรับแล้วรับแล้วนะคุณกระนกกรเออกระนกกรกรนกกรลงตาเลยรับแล้วนะเนี่ยรับแล้วอ๋อเข้าว่ารถกําลังไหลออกโอ้ยรถใหญ่อยู่เยอะวันนี้รถใหญ่อยู่เยอะหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแดเจ็ดแปดัเก <together> ้า <cant> ค <ata> ันราคา่าด่นฮะ่ยยอะ เห็นมาอะไรอยู่เออเอไว้เช็คลาวก็ลงตาแล้วลูกลากลับไปนะเจ้าคะเออเจะลูกมาจากเพชรบูรณ์คะะกลับทางเพชรบูรณ์ลูกลูกมาที่สวนปฏิบัติธรรมเพชรบูรณ์เจ้าคะอแล้วก็เมื่อคืนนี้นอนที่สวนปฏิบัติธรรมแล้วก็เช้าวิ่งมาทัางานหงตาเออเพชรบูรณ์อไก่อยู่แล้วเพชรบูรณ์แล้วก็สี่ชั่วโมงเรามาด้วยสี่ชั่วโมงเท่าไหร่นะ ปาวิ่งสีชั่วโมงแต่ลูกวิ่งห้าชั่วโมงเจ้ค่ะเดี๋ยวเรามาจากเขาขอ้อจากเขาข้อมาถึงวันเลยสี่ชั่วโมงแล้วก็สองนาทีจําแต่ในเพชรบุญไม่ทราบเท่าไหร่นะเรามาจากเขาขอ้อลงมาถึงวันสี<ช>่เออเออกลับสวัสดีนะเพชรบุญได้กุศลเตรียมหัวใจไปไหนสบายหมดแล้วนะ<ช>เออพ<ช>อใจพอใจ ผ่านทางน้ำหนาวก็คิดถึงหลวงปู่ชิดเจ้าค่ะผ่านมาทางน้ำหนาวถองหลวงปู่ชิดเจ้าค่ะเออก็ท่านชินอยู่ที่นั่นพอดีน้ำหนาวน้ำหนาวเราซื้อที่ให้นั่นะเป็นพันพันไรที่ท่านชินอยู่ก็อยู่ที่น้ำหนาวเพียเราซื้อให้นั่นเลยไปกว้างกว้างน้ำหนาวแถวนั้นคือยอดน้ําจังหวัดเลยแม่น้ําเลย่ถึงที่ หยดน้ำหนาวล้ะเราซื้อให้หมดเลยบริเวณนั้นหลายเป็นหลายพันไร่นี่สั้นชินก็ตายอยู่ที่นั่นซื้อที่แล้วก็ให้ทั้นชินอยู่ที่นั้นมีสองสำรักวัดบริเวณนั้นแต่สั้นชินอยู่ที่นั่นตายถ้าชิดแต่ไม่ใช่ชิงนะชิ ด, ช ด, ชดนะ Here, คือชไม่ใช่สิงนะชิดกับช่อช้างเหรอชอตรีต่อชิดเออชิดนะคือาอยู่เพชรบุรีท่านก็เป็นพระวัดน่น้ท่านเป็นคนเพชรบุรีแต่เป็นพรวัป่าบรรตาศก็ออกจากนี้ก็ไปอยู่ที่นั่นแล้วชื่อที่อะไท่านชิดไปอยู่ลนงตาซีที่ต้นน้ำตอนนี้ก็น้ำดีเลยเจ้าค่ะก็มีก็เือว้อยยงหลายๆลันได้หร ชื่อส อ, อ, องสองข้างสองพันห้าร้อยไร่ครับสองไร่ครซื้อขอไว้หมดเลยสร้างสร้างวาจะเฉลยนั่นแหะเขซื้อเชื่อนียเราเจ้าห้าจังวัดเลยอันนี้วิ่งมาป่าชุ่มชื้นหมดเลยเจ้าการป่าชุ่มชื้นหมดเลยเจ้าการก็ชุ่มชื้นเจ้าการก็ื้นกว่ากวก็นสําข้าไร่ชุ่มชื้นไปหมดเลอ่า เขาที่ทางจังัดก็เอมารวมบวกไปหลายจังหวัดจังวัดก็เอ็มาก็กมกับได้บ้างนาใ้บริษัทไปกับเราบริอัทกับเราเนี่ ร่ำคือเกาคือกอดวะร่ำคู่มือร่ำกักแกก็ไม่องไปรฟังเขาร่ำร่ำคือเกาจะฟังได้เหรอถ้าเก๋วร่ำแต่กับเกาเขาร่ำมันขึ้นไปกับฟังดยร่ำคูมือยเก่งร่ำกักแกก็ไม่องไปร่หรอกอืมอ่าดีไดน้ ดําการหลมตาจ้าขานั่งชวีวันดําเนินมีแต่งแต่หมอรําอังคนา่งเป็นผู้ใดรําประวัติของหลวงตาหมอรัมชวยวันดําเนินบอบอใดรําถึงประวัติของหลวงตามาลัมเมอนี่ขออนุญาตอ้างอิงในเรื่อง การทำบาปทำบุญขออนุญาตล่ําไห้พีไหน้องญาติโยมผู้ม่ากราบขอพรจากหลวงตาค่ะตรงใดผิดพลาดบาดหมางกราบขอพระท่านอภัยจากหลวงตาเจ้าค่ะโอ้เอ๋บุญเอ๋อ บุญกุศลที่เฮาสางนี่ละคือหนทางเฮาเตรียมไว้ถ่าเที่ยวไต้ผ้ากันสางบันได้เพื่อสิบไปสู่ชั้นสวรรค์พุ่นทีวิมานเฮ้ยสวรรค์พุ่น ที่บีมาโอ้ยน้อยอ้ยอ้ยน้อโอ้ยเด้มกราบนมสการพระคุณเจ้าหลวงตาใหญ่มาาบัวเอายกมือข Clear ึ้นเนื้อหัวกราบพระคุณเหลือล้น บุคคลมาในวันนี้อยาติโกโหติกาอยาติโยมทุกทุกเรามากกันมาจากไรยหินบ่อได้เรามาด้วยใจพี่น้องศรัทธาตั้งเจ้าตโอบุญและเพิ่นจวมาบุญบุญนี่บ่มีไผยสิปันแจกมั่นบ่แหกออกได้คือไม่เจ้าพากลาง คือกระเเ้ากินเขาเฮากินเฮากะอิมบอ่อฮอนไปอิมทองของทานภูบกินทุกสิ่งสิ้นก็คือดังเดียวกันนี่คือการทำบุญเพื่อก่อหนุนเอาไว้ฟังเอาเดอ้อค้นเท่าหัวขาวฟั่นรอนจงค่อยห้อนทำคอดูบางขู่สุท้างยาได้คิดประมาทมากไหนระวางคำสอน ของสมเด็จอง์บว์เทศนาสนไว้ ไผผู้เคินค่ำท่านจันลงองค์ผาบาทจะาึกษ์ไห้หัวขอดอกพันสอนย่อมจะเกิดเดือดทอนในเมื่อภายหลังอานิจังของคนหอนลือสินีพลวัตตะวนเวียนเกี่ยวเที่ยวทางบ่อมุมฟังอานิจังไผ่กะนี้บ่อพลคงเ่าดอกแก่ตายยางอ้ายนองนั่งอยู่สอนลอน้น คงเสมอเหมือนกันบรนทอน้อนคอยค้นเฮานี่อาอยู่คอยไปหน้ามันคือใบไม้รวงมีแต่ขูมีแต่ลวงบ่มีมันเป็นแกนส า, ารคิดบางเนี่ยแล้วท่านองค์ท่านพระโคดมองค์บรมมาคูเทศนาสนไว้ภายหยักนี้ไปม่มให้ทำบุญกันใบเนี่ยาายาโรทยาโรแก พาลูกเด็กเล็กหน่อยทําสงางโจแตงท่านขิดเบองแเนียมเหาเห็ดเวียกได้ฟันไ้คุตินการหากินของคนสูเนีวบอมียานหน่อยแล้วสังคัญเจ้าสรารการพยาธิพาอานิจามั่นเป็นของบบเน่ตายจ่อยดอกมิงม้อน เอาไฟเผากระบอกหอนคือขอนให้บาดตายไปเอาไปฝังลงในดินกระบอติง่งคิงได้เอาอยัางไปน้ำได้เงินทองของนุง่งเ อ, อินสา้นเป็ดไก่มาหนะ้าหัวเจ้าไหสวนล้วนตังเตบอโได้พ่อเมตรกรรมมือ เทาสิถือไปน้ำกระโบติง่งคิงใดเอาหยังไปน้ำใดมีศิลธรรมเท่านันตัวถือติดตัวพี่น้องทำไวตั้งแต่หลังขอโทษเ อ, อ่ยยาำไตไปเบิงเขาให้กับบังกับกระตาอันมั่นเพ่โป๊สองอันกับคุกหินเขาให้ขั้นเป็นถ้วยสองสามใบผัดเกาเกาเสือขา ด, ขาด เขาให้เจ้าหมอนสำำำํากําดําผ้ากับผ้าอีเ้ดวงเกา้าเก้าเป็นสนิมเงื่อนสองเหรียญใส่มือถือไว้ย้ำไฟเผาเมื่อเล้วบัเถือเขาเก็บกระดูกพวกหลุกลานไปเคียวคุยอาวุจยอยกระโบยังศาสตร์กับศาสตร์พื้นก้อมก้อมกับเกีียวเล็กไฟปก ้าพ้พยิ่งเหาตายบอกปูนเขาเอาให้ยั่งเอาไปาว่ามีใดเขาเก็บคืนมาคือเก้าเอามาแลกข้ตุมขนมพร้อมได้ลอป้งขิดบางเน่ขั้นกระโลงเขาให้มีกระดานแค่ซีแพนฝากไม่ไพยซับห้องให้โมเจ้าเขาหามเขาปานี้บได้อยู่ดีดีเฮื่อไนหลังเหาเห็ดลูกบอดีขายกินแจบเหมดไปจ้อย ยาค่อยเอาลายทอนมุนมังสังขายาดศาสตร์กับครู ห, ห่างเขาเสียห้พ่อแม่เออรักษาเด้อควม่มโกอย่าเมาวม่กองกิเลสตันห้าความอยากได้เหลือลำแผ่นไต เอาอันไหนกระโบได้ยาได้ว่าของโตองค์ุทโธโคดุมเทศาสนซีชวีวันลำไห่พ่อเป็นดอกข้าวเงินฉันขอเตือนพี่น้องให้ใจตั้ง เมนต่อบุญให้ใจตังเมนต่อบุญนุนนำเฮาอ้ยเด้ออ้ยน้อโอ้ยเด้อกลับนมัสการฟังคอยกับฟังบูชัดหูคอยกับบดี ฟังดูจะพอค่อยเหมือนตะก่อนบันไหนก่อนล่ำตะกหูก็พอค่อยดีเป็นนํากุ้งล่ำแถวน้ำขนมนี่ผู้ฟังก็เท่าเหมือนกันแต่ล่าแบบเก้าก็หูจักแต่ไม้ก็หูจักนะครับพอใจบ่ล่ะขนมเดี๋ยวนี้มันจะเปลี่ยนก่อนล่ำย่างอย่างเปลี่ยนเปียนตำนวนเปลี่ยนอะไรอะอยางเปลี่ยนเปีนยนเราก็เกิดมานานมันได้ฟังมันานด้วตัว ฟังร่ำตะกอนเป็นยังไงยังไงเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนเลยเหมือนกันเดี๋วนี้หูก็ดีล่ะตะกอนก็ระลำคอยก็ระลำเป็นอยู่โอนี้ตะก่อนโอาว่าจริงจริเนี่ยไปร่ำบนไดสาวติดตัวนี่มันเสียงดีเข้าใจไหมฟ้านที่ลูกข้อนี่เขารดรดรดแบบ ไปใส่แล้วอ้ายอ้ายอ้ายนล้ไม่ตั้งแดดอ้ายแล้วนะลไปตั้งแดมึอม น, น, นี่อ้าวแม่นีนี่แล้วพอไปเข า, เขาด้ยินแล้วร่จ้อนเห็นที่เด้กสิลธรรมอู้เฟือนเอาเรามากรเขาบอกเคยกินเราดอกก็กินเราแล้วที่ก่อนล่ำ ม, มันออกเองนี่ออกที่เพราเขาจับติดแล้วเขาไปปล่อยนี่ไปว่าอะไรไปควงไหนเราล่ะเขาใจไม่ควงไหนนะควงสาว น, น่ะเขาใจบ่ ไปแล้วอาอายอาล้วไปปั้งเดอายเอาละไปพ่อเขาล่ำเขาล่เตี่ยวกันอาะอสานตั้งไอสานเหมือนร้องเพลงเตี่ยวกันนั่นแหละเหมือนเขาร้องเพลงเตี่ยวกันเวลาเ็ลําเตี่ยวกันหญิงชายเตี่ยวกันมันก็ทาให้เพลินทั้งสองเป็นโค้ดโซ่ ขึ้นโขกสูงลงโขกลอยไปได้มาจากไหนเนี่ยมันไม่จาได้แต่ก็ดีค่อยจาได้จนต้องค่ายเป็นคาราวะนความจำค่อยไป็นเนว่าเขาได้จาได้เขาเลยมาล่ำหอย้ั่งําเข้าใจแล้วนี่จาได้อย่างนั้นอย่างนู้น จำได้ก่อนล่ํา้อยลําหยอกเล่นขึ้นโคกสูงลงโคกค่อยเห็นห้อยขวางห้อยฟ้านอ้ายกอดทิศหอนางอ้ายเด็คือพี่เข้าใจไหมเห็นหหน้อยขวางน้อยฟ้านอ้ายก็สิศหอนางเห็นกระดองเต้าห้างกันนิ่งน้องอยู่เบื้องลึกไปเลยกระดองเต้าห้างคิดถึงน้องเข้าใจไหมกระดองเต้าห้างถามผู้ใดก็รู้หรอก ไม่รู้นะอาปากีไม่รู้ <laughs> เอาละไป <laughs> เอ า, ไ ป, <laughs> เอาไปไปงับปากจะมั่วดะหัวอะไระ8ปแวโมงครึ่งเดี๋ยวนะครับพอดี8ปโมงเสร็จแล้วนั่นลให้พรไม่ให้รออ แ, แล้วครับ <laughs> ไม่ไม่ให้อยู่แล้วให้ล้ว า, เ, า, เ, าเสร็จเรียบร้อยแล้วงานเราก็คนเต็มชะลาวันนี้ ทางร้อยเอกมาทางไหนมามาอะไรทาง เ, เพลงทางทั้งเพลงทางอีสานก็มีเพลงทางง้ากลางก็มีเพลงภางอิสานเขาก็เขาก็ไปแบบเพลงมันเพลงเกี่ยวกันเหมือนกันละ่ะฝ่ายผู้หญิงผู้ชายเกี่ยวกันกลอมกันไปทางเพลงทาง้านู้นเขาก็เหมือนกันมีเกี่ยวหญิงกับชายมันแยกกันไม่ออกละ ไปติดกันไปแล้วเพลงทางภาคอีสานก็เอาเพลงเพลงเกี่ยวหญิงเกี่ยวชายนั่นเพลงทางภาคกลางก็เหมือนกันนะั่นแหละเอาละเฮ้อแล้วเขามีสอยไหมเจ้าคะมีโอ้ยทางทางทา ง, ทางภาคอีสานนี่ไม่ต้องถามแล้วสอยน่ะก็ส่วนภาคกลางดูไม่มีนะภาคภาคอีสอยภาคอีสานาสานี่เขามีที่ไหนรำไม่มีสอยมันก่อยก่อยอะไรล่ะราไม่ค่อยดี คือเขาจะไปหัวเราะตอนเขาจบก่อนเราปั๊บตอนนี้ก็สอยๆขึ้นนี่มันหัวเราะกันตอนนี้แหละมันพูดแบปลกนาพูดแบบเราไม่เคยคิดมันเอามาพูดเข้าใจไหมล่ะไอ้ที่มันเอามาพูดสอยๆนั่นน่ะเราไม่เคยคิดเลยที่มันเอามาพูดได้เป็นข้อตลกของกันนะอยากฟังมหมจะยกให้ฟังสักกันเหรอจะยกให้ฟังสักกันเหฟัง สอยซออยเทาดาตายใบข้อยหัวว่าแม่หัวลูกมาหนี่แม่สิโอมปราก็ใจพี่เนยไม่รู้ไม่รู้ก็ซอยดังนั้นนะใครจะไปคิดไว้อย่างงั้นนะเออมันก็มาพูดได้มันเป็นนามันนาขบกันก็กลัวเาอยซอยเทวดาตายใบข้ยหัวว่าจำค้อยหัวนั่นนะ ฟังฟังว่าแม่นหัวลูกจับก้อยหัวเ จ, จ, จ, จ, จ, จ, จ, จ, จ้จาของว่าแม่หัวลูกมานีแม่จะโหมป่าแม่จะโหมแม่จะโหมป่าก็ใจก็ใจยังไงะก็พูดเขาว่าใบคือจับเข้าใจไหมซอยสอยซอยแถาที่ตายบายค้อยหัวจับก้อยหัวว่าแม่หัวลูกมานีแม่จะโหมป่า ไปแล้วแต่ละเขาเรียกว่าสอยมันเป็นใจขหัวไม่มีใครชิดแต่มันชินขึ้นมาพูดมันใครไปชิดได้ดีมันชิดขึ้นมาพูดมันก็อดหัวเราไม่ได้ละถถากลนไหนแล้วไม่ว่าวงรำที่ไหนมีคนสอยนั่นน่ะแล้วรำมันเลยสู้สอยไม่ได้นะ พอพอล่าจะจบเขาจะคอยฟังเสียงสอยสอยแบบนี้แหละสอยแบบเราไม่เคยคิดแต่มันเอามาพูดได้สบายสบายหัวเราะกันลั่นลั่นแหละไปพอทู่ๆจะไปลั่นเอาละหมดล้วสินะหมดหมดเจอกันนะเออพวกที่จะกลับเวลาพี่น้องลูกหลานเรจะกลับคงจะกลับบ้านกลับเรือนก็กลับไปได้แล้วนะถ้าสุขเย็นใป เออบ้างวายวันที่26อง150ทองคำได้หนึ่งกิโล27บาท29ตางนะทองคำได้หนึ่งกิโล5เจ็บาท29ตางเงินสดได้ 511,825 บาทนี่นะเข้าใจแล้วนะอ่านเข้าใจทั่วถึงไปพอ อ็ oh. นั่งนี่แคตั้งชั่วโมงครึ่งพอดีละมานี้ละมานี้บ่ายโมงพอดีมาถึงนี่ปับ๊บนี่สองโมงครึ่งพอดีท่ากันจับตัวกนะัน น, นี้เราก็ไม่ไปไหนแล้ ว, วันนี้พอฉันเสร็จแล้วก็นั่งรถอะไรนั่งไปเที่ยวมรถอะไรเขาซื้อมาเล้วนั่งลงเที่ยวกับไ อ, อ้เหาะไ อ, อ้เหาะนั่งด้วยไปด้วยกันไอ้เหาะเขาก็เพลินนะแล้วเวลานั่งรถไปไอ้เหาะหมาชื่ไอเหอาะเขาใส่เครื่องบินมาแล้วเอาขึ้นรถแล้วไปเ้าก็มานอนเถยนั่นดูเรื่อยไปนะ เขาเพลินดูนั่นดูนี่รถก็วิ่งไปแล้วคขาเพลินดูนั่นดูนี่ไปเลยต่อไปนี้เราจะไปไหนกลัวมันจะโดดขึ้นรถนะอ้ามันติดนมาเอมันติดมันติด ห, า, า, หตดตดาติดติดรถอไปแล้วเห็นนะหมดออเอาเก็บจะ้ะไปแล้วท